สตกแฉะแหลกาดเมื่อองค์ท่านพระเถระเหล่านี้ต่างก็มีศรัทธามารวมกันในยามออกพรรษาแล้วที่วัดป่าบ้านหนองผือดังกล่าวแล้วในเรื่องหลวงปู่องค์ท่านชลาอาพาธเพิ่มทวีขึ้นก็ประชุมปรึกษากันส่วนหลวงปู่กงมายืนยันทางเดียวด้วยน้ำใสใจ จ, จริงว่าควร น, นิ ม, มนต์หลวงปู่พักวิเวศวัดป่าบ้านม่วงไทยอยู่เป็นหลายทางส่วนองค์หลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟัน่น พระอาจารย์กูพระอาจารย์มหาทองสุขเพระอาจารย์มหาบัวพระอาจารย์กวาดตามพฤติการไม่ได้จำจี้จำใจกราบเท้าเหลียงแล้วแต่องค์หลวงปู่จะสะดวกแต่ก็ไม่ขัดขวางหลวงปู่กรงมาด้วยประการใดๆอะไรนักตกลงองค์หลวงปู่มั่นก็รับไปแบบจำใจตื่นขึ้นเป็นวันใหม่ไปบินสบาทแต่เช้าฉันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวโกลาหน แล้วลูกศิษย์ที่ขอนิสัยด้วยประจำวัดหลวงปู่มั่นก็แบ่งออกเป็นสองพวกพวกที่ไปก่อนให้ไปก่อนแต่เฉพาะผู้มีข้อวัดจำเป็นอันเว้นไม่ได้ซึ่งเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ให้ไปสามองก่อนคือหนึ่งครูบาวันสองข้าพเจ้าสาพระสีหาเท่านั้นในข้อนี้พระอาจารย์มหาบัวเป็นผู้จัดแจงเพราะพระเถระนอกนั้นจำพรรษาอยู่ต่างถิ่น พระอาจารย์มหาบัวและหลวงตาทองอยู่ให้ควบคุมหมู่ผู้อยู่ข้างหลังไปพลางๆก่อนเพราะการตัดเย็บจีวรก็ยังไม่เสร็จสิ้นเท่าไหร่นักเพราะจุกจุกจิกจิกจกับงานจุกเฉินหลายด้านวัดแตกแฉเหลกขาดฝ่ายพระอาจารย์ต่างๆที่มาต่างทิดก็ยกทัพไปพร้อมกองหน้าหมดเงียบเหงาเย็เงียบออกเดินทางสามโมงเช้าเอาแค่มหามองค์หลวงผู่ทั้งพระทั้งโยมประมาณสองร้อยคน หามไปตามทางเปลี่ยนผ่านพ้นบ้านหนองผือไปทางทิศตะวันตกค่อยเดินไปเท้าต่อเทา้าแล้วเลี้ยวขวาโค้งตรงไปอำเภอพันณานิคมอนิจจาเอย๋ยบ้านหนองผือเศร้าโศกโศกา่นน้ำตาหลังไหลเพราะเอาองค์มิ่งขวัญเขาหนีไกลไปจากถิ่นฐานบ้านเขาสารพัดผู้จะข้ามครวนลําพันธ์ที่ไลเสมือนพากันตายไปทั้งหมดหมู่บ้านพอผ่านพ้นบ้านหนองผือไปประมาณสองกิโลเมตร องค์หลวงปู่พูดเย็นเย็นขึ้นว่าพากันหามไปปิ้งไปเผาที่ไหนหนอข้า พ, พระเจ้าอยู่ใกล้ๆไม่หนีจากทานหามทางปลายเท้าขององค์หลวงปู่ปะปนแค้ญาติโยมไปไม่วางพอได้ยินเสียงองค์หลวงปู่บ่นเย็นๆย็นและนอนหลับตาปลาโลกเช่นนั้นไอจิเลตมันสังเวทและเศร้าโศกขึ้นมาน้ำตาไหลาอาบแก้มโยมทั้งสองรอยสามรอยทั้งพระเนียนไม่นึกละอายเลยมีปัญหาว่า ภูบาอาจารย์ทั้งหลายและอาจารย์วันและขุนสีหาไปไหนในขณะนั้นตอบว่าภูบาวันและขุนสีหาได้กระติกน้ําองค์ละลูกสะพายออกก่อนที่หามแค่ไปไกลกันกว่าสิบวันคูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เดินออกหน้าที่หามแค่ไปไกลกว่านั้นเป็นลําดับส่วนตามหลังแค่ไปก็เป็นระยะระยะเป็นทีวแถวส่วนพวกเกือนที่ขนของก็ตามหลังบาดบริขารโยมสะพายเอาหมดแล้ว ข้าพระเจ้าจึงได้แสตแสงญาติโยมเข้าใกล้ที่หามได้ข้าพระเจ้าไม่ได้หามใส่บ่าหลเป็นเพียงเอามือขวาจับชูเอียงตัวซิกแซดเดินไปโยมเขาหามเขาเอาผ้าผูกเป็นงวงสะพายบ้างเอามือจับคนละมือบ้างเพราะคนมากบางแห่งก็หย่อนลงบางแห่งก็ยกขึ้นเพราะดินสูงต่ําที่ไหนหญ้าลกปกคุมทางเพียงหัวเขาและแข้งขาก็ลาดเบียวไปหมดเพราะคนนั้นเหยียบบ้างคนนี้เหยียบบ้าง ผู้เขียนมันเป็นเจ้ากิเลสมันเป็นเจ้าน้ำตาไปตลอดทางข้าพระเจ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเพราะมีความเห็นว่าเข้าใกล้องหลวงปู่ไม่สมควรโยมเขาจะใส่ก็ตามมอบให้เป็นเรื่องของเขาแต่เขาก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างและบางแห่งก็มีหนามตาชัายตามันรักษาเอาเท้าของตัวที่จะเหยียบไปได้ทางพอควรก็พักดื่ม น, น้า องค์หลวงปู่ดื่มสองสามจิตแล้วนอนตะแคงข้างาขวาอยู่บนแค่ที่ตรงวางไว้ประทับจิตประทับใจว่าเวทเต็มตื้นใจมากเมื่อพักประมาณสิบหรือสิบห้านาทีโดยศาดธะเนก็เดินทางต่อพอถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งเป็นทางมีโคลนเลอะเอะและจวนแจะจะข้ามมือกไม่มีทางเว้นแต่ที่นาเขาข้าวเขากำลังจะพอเกี่ยวเ ข, ขามีศรัทธาไขลัวหรือลัวออกให้ฝ่าเหยียบข้าวไป คนทั้งสองอยกว่าป่าตะลุยเข้าไปจนสุดทุ่งนาเขาจึงได้ลัดใส่หนทางอันพ้นโคนตรงข้าวก็ลมไปลากเรียบพร้อมทั้งหล่นพร้อมทั้งขาดนับว่าศรัทธาเขาเกิดขึ้นสดๆแก้ปัญหาซึ่งหน้าได้โดยสุจริลุใจจะหาได้ยากในสมัยนี้และเป็นข้าวที่ก่อโตและเป็นลวงโตมเมลยดโตด้วยการเสียหายอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหก ร, ร้อยกิโลกรัมเรียกว่าบุญองค์หลวงปู่ เป็นปาฏิหาริย์อยู่ในตัวแล้วจะอัศจรรย์แต่การดำบินบินบนได้จึงจะว่าเก่งหรือถ้าอย่างนั้นนกมันก็มีปาฏิหาริย์อยู่ทุกวันเก่งอยู่ทุกวันไส้เดือนก็ดีปลาไหลก็ดีมันก็ดำบินอยู่ทุกวันมีปาฏิหาริย์อยู่ทุกวันเก่งอยู่ทุกวันแต่ไม่ถือเอาเป็นสลนงังคจฉามีเพราะไม่สําคัญในสิ่งเหล่านี้สําคัญอยู่แต่กิเลสน้อยเบาบางและเหื่นแห้งไปเท่านั้น พร้อมทั้งข้อวัดปฏิบัติอันชอบที่ถูกต้องเท่านั้นคนโดยมากมักตื่นปฏิหารทางดำดินบินบนแต่ผู้เขียนลงเอยมากที่สุดก็คืออนุสาสนีปาฏิหารคําคำสอนของพระองค์เป็นปาฏิหารที่ไม่จือจางและมีอยู่ทุกการของแต่ละตัวสัตว์บุคคลเทวดามารตรอมด้วยประจำกองรูปประขันนามาขันอยู่ไม่ลบเลือนไปทางใดคือกรรมและผลของกรรม เป็นปาฏิหาริย์อยู่ทุกอินิยาบทของจิตใจอยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่แล้วจะไปหาปาฏิหาริย์ที่ไหนอีกจับไฟก็ร้อนไม่จับไฟก็ไม่ร้อนเป็นปาฏิหาริย์ทั้งนั้นและก็มีความหมายอันเดียวกันกับกรรมและผลของกรรมคนเชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อปาฏิหารก็คือเชื่อพุทธธรรมส่งด้วยนั่นหละปลาลบเรื่องหลวงปู่ต่อไป ขณะที่กำลังจะแวะผ่านเข้าเขานั้นพระมหาเถระได้พูดกันว่าไม่ควรเอาองค์หลวงปู่ไปพักน่วงไข่เพราะเป็นวัดล้างมาหลายปีมีต้นไม้ทึบมากอากาศไม่โปร่งและเดี๋ยวนี้ก็ค่ำแล้วและองค์หลวงปู่เล่าอาการก็หนักเข้าเพราะจะอ่อนเพลียในการหามมาข้ามป่าโคกดงจึงตกลงแวะบ้านกุดก้อมดงผู้ก็ว่าเป็นวัดป่าพระอาจารย์กูพอถึงที่นั้น ก็หนึ่งทุ่มกว่าๆโดยประมาณอาการหลวงปู่ก็หนักขึ้นต่อรุ่งเช้าจึงเบาลงบ้านในวันนั้นฉันจังหันแล้วมีพระองค์หนึ่งจะไปตัดช่องกระดานศาลาใกล้ที่พักป่วยขององค์หลวงปู่เพื่อให้เป็นช่องขององค์หลวงปู่ถ่ายอา j มองค์หลวงปู่ปาลดดังๆขึ้นว่าอย่ามาทําเลยท่านล่าเธอกํากับของเธอประจำอยู่มาทําแล้วก็ไม่ถูกความประสงค์ของเธอดอกดังมี ข้าพระเจ้าได้ยินแล้วให้จิเลีดน้ำตามาอีกละไหลลงเลยมันไม่ละอายใครเลยเพราะสำเนียอในใจว่าเราปฏิบัติองค์หลวงปู่มาด้วยประการใดๆตามภาษาเรามาเป็นเวลาสีปีล่วงเขา้าหลวงปู่คงไม่นับทำหนักใจว่าเราปฏิบัติเพื่อเอาหน้าเอาตาและไม่สงสัยว่าเราปฏิบัติไม่เขารบและก็ตรงกับเจตนาของเราด้วยองค์หลวงปู่ดักใจทายใจเราถูกได้ไม่ผิด คิดดังมีได้กระทันหันไอ้น้ําตาพันไหลลงอีกห่างจากเรื่องนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงละโอกาสไปขอยืมเลื่อยปลาตองและสิวมากราบเท้าเหรียญองค์หลวงปู่ขอโอกาสทําถวายไม่ให้กระทบกระเทียงเอาไม้หนุนทางใต้ให้ตึงสิวเจาะลงพอหลวงปลายเรื่อยเอาเลื่อยเล่นที่คมประมาณห้านาทีก็เสร็จส่วนทางใต้นั้นหาภาชนะรองใบโตโตแล้วเอาขี้เท้ารองหนาหนา เวลาไปเก็บสะอาดเอามือกรอบใส่อันอื่นไปเทในหลุมแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำมันจัดและขี้เถ้าโดยเร็วไม่อดแต่ผู้จะแห่ถือกับบ u o ยให้เพราะได้เคยเอาเป็นข้อวัดมาหลายปีแล้วคราวอยู่หน้องถือมีผู้แย่งจะทำแต่หลวงปู่มหาไม่ให้ทำเพราะเก่งองหลวงปู่มั่นจะไม่พอใจไม่ไว้ใจเพราะเกงว่าหลวงปู่มั่นจะวิจัยว่า ปฏิบัติไม่ถึงเพี้งถึงขิงละอาแล้วก็มอบให้องค์อื่นมันเป็นภาพพดหล่อแหละเว้นไวแต่เจ็บป่วยนอนคาที่ไปไม่ได้เมื่อได้พูดก็พูดไปตำตาข่าวพัดรักษาองค์หลวงปู่อยู่วัดปากุดก้อมนั้นข้าพระเจ้าและกูบาวันมีได้ไปบินธบาตเลยเพราะคณะพระเถรานุเถระไม่ให้ไปให้รีบเอาบาดลงไปตั้งไวาา้ศาลาจันเท่านั้นพระสงฆ์กลับมาจากบินธบาตจะใส่ให้ แล้วก็ได้ฉันที่หลังหมูอีกซ้ำส่วนครูบาวันนั้นได้ลงไปฉันพ้อมหมูเป็นเพียงไม่ได้ไปบินธบาตครูบาวันฉันเสร็จแล้วจึงได้ขึ้นมาเปลี่ยนข้าพเจ้าลงไปฉันแต่ก็พอใจอยู่ไม่ห่วงเพราะพ่อของเราปู่ของเรามีคุณค่ากว่าอาหารในท้องเราแต่ละวันอยู่แล้วในระหว่างทักอยู่วัดป่ากุดกอมคือบ้านผู้หรือว่าดงบ้านผู้ก็เรียกกันหลายอย่างมีพระเถระมาเพิ่มขึ้นอีกคือ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจังหวัดปูดรพระอาจารย์ศรีลาวัดป่าบ้านวานอําเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกล น, นครรวมพระเนรทั้งหมดสี่สิบลูกและมาพักได้สามคืนพระอาจารย์มหาบัวก็ทิ้งบ้านหนองผือมาและหมู่ทั้งหลายก็ทยอยมาจากบ้านหนองผือได้สิอดวันครูบาทองคําก็มากับหมู่อีกเหลือแต่หลวงตาทองอยู่องค์เดียวส่วนองค์หลวงปู่มั่นก็ป่วยหนักเข้าหนักเข้า พักอยู่ที่นั้นได้สิบเอ็ดคืนตื่นเช้าชาวสกล น, นครตลอดถึงคุณหมอแพทย์ใหญ่ในสกล น, นครก็มาถึงแต่ชาวรูชาวสกลนครกราบเท้าเหรียญถวายวิงวอนว่าขอนิมนให้ไปพักวัดป่าสุทธาวาสนิมนวิงวอนถึงสามสี่ครั้งติดติดกันอง์หลวงปู่ปราลบว่าเออหามศตกป่าช้าหนอไม่มีวันได้หามคืนแล้วบัดนี้มาถูกเราแล้ว องค์หลวงปู่กล่าวต่อไปว่าถ้าไปก็ลำบากอีกละเพราะลูกศิษย์ก็มาต่างทิศมากเขา้าสี่สิบองรวมทั้งเก่าใหม่เขากราบเรียนว่ามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขอรับจะเอารถมาขนวันยังค่ำนั่นแหละแท้จริงสมัยนั้นมีรถวิ่งไปมาจากสกล น, นครอุดรธานีสองสามคันกับกรถกลมทางคันหนึ่งขนทางก็เป็นหินลูกลังปูทิทีห่างห่างลักๆหลัน่นลันยังไม่เรียบร้อยดี แล้วก็กราบเท้าเรียนถวายให้องค์หลวงปู่ฉันอาหารองค์หลวงปู่ก็นั่งฉันได้อยู่ไม่ได้พยุงชูฉันประมาณห้าหกคำเล็กๆแห่งอาหารเหลวๆที่สดด้วยช้ อ, ชอนท่านฉันเสร็จแล้วคุณหมอใหญ่จังหวัดสกล น, นครก็ฉีดยานอนหลับให้ด้วยการขออนุญาตสี่ห้าครั้งองหลวงปู่ก็ยอมให้ฉีดแบบฝืนๆแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางโกลาหน์ไอใจกิเลสไอน้ำตากิเลส มันก็ไหลลงอีกละ่ะแล้วก็เอาแค่มาหามองค์หลวงปู่ข้ามทุง่งองค์หลวงปู่นอนตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกันหามข้ามทุ่งไปสู่ถนนไกลประมาณเกือบกิโลเมตรจึงถึงถนนแล้วเอาองค์หลวงปู่ขึ้นรถกลมทางเอานอนด้านหน้าคูบาวันอาจารย์วิลลี่ยังข้าพเจ้าคุณสีหาก็ไปขบวนรถกองหน้าส่วนหลวงปู่ก็นอนนิ่งไม่กระดิกพิกไหวตัวอะไรเลย ปรากฏแต่ลมเข้าออกแบบเบาๆพอถึงวัดป่าสุทาวาสแล้วก็หามองค์หลวงปู่ขึ้นพุติพิเศษหลังหนึ่งอันมีระเบียงรอบทั้งสี่ด้านมุงกระดานตั้งฝามีประตูเข้าห้องนอนสองทางมีหน้าต่างบริบูรณ์รอบระเบียงนอกมีรูป ก, กงห้องนอนนั้นกว้างประมาณสามเมตรปริลีมณฑลระเบียงโดยลอสามด้านนั้นกว้างประมาณสองเมตรห้าสิบส่วนด้านหน้านั้นกว้างประมาณสี่เมตร หรือห้าเมตรนี่แหละเพราะเป็นกุฏิสองห้องแล้วก็มีระเบียงรอบสีด้านแล้วกั้นห้องหนึ่งเป็นห้องนอนแล้วผูบาอาจารย์ต่างทีก็ตแต่ตือนกันมาเป็นระยะระยะองค์หลวงปู่สิงโคราาหลวงปู่บุญไหลหลวงปู่สารพระอาจารย์เก่งพระอาจารย์สิงตลอดพระหนุ่มเนร น, น้อยฝ่ายปฏิบัติหลั่งไหลเข้ามาเป็นลําดับไม่สามารถจะบอกชื่อลือนามได้ขึ้นแล้วล้มโฮแก้ว แล้วก็เอาองค์หลวงปู่เข้าห้องนอนตะแคงข้างขวาพอตกเวลาประมาณหกโมงเย็นหลวงปู่กงมาบอกว่าท่านทองคำท่านลาท่านสีหาพากัานบอบโบยหิวนอนมานานแล้วจงพากันรีบไปนอนอยู่ระเบียงนี้แต่หัวข้ามเสียพระอาจารย์ฟัน้นกับผมจะช่วยเฝ้าในห้ององค์หลวงปู่ส่วนท่านวันเขาพักกุติหนึ่งกับวิลียังกับท่านเนรแล้วส่วนท่านมหาบัวพักลุกขมูล ลมไม้ในวันเธอเล่งความเพียรเก่งหลวงปู่จะสิ้นลมปรานก่อนพอจบคำแล้วต่างก็ปูผ้าลงกระดานพื้นระเบียงกราบพระองค์สามทีคว้าเอาห่อผ้าสังคาติมนุนหัวกำหนดลมหายใจเข้าออกไปตาใสาแจ๋วไม่หลับเพราะมันเคยจินในการไม่หลับมานานบ้านแล้วอาหารฉันหมดวันละเท่าไข่เป็ดก็ทั้งยางจ็ดชื่อไปหมดอายุขั้นสามสิบกว่ากว่าอานิจจาเอ๋ย ประมาณตีหนึ่งกว่ากวงหลวงปู่กองมามาดึงแขนกะสิบบอกว่าพากันลุกพากันลุกพระอาจารย์ใหญ่ใกล้จะสิ้นลมแล้วกะสิบตอบองค์ท่านว่าข้าน้อยยังไม่หลับดอกแล้วองค์ท่านบอกให้รีบด่วนไปนิมนต์ท่านเจา้าพุทธธรร ม, มเจดีพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์เทศพระอาจารย์มหาและครูบาวันข้าพระเจ้ารีบไปกุฏิท่านเจา้าพุทธธรร ม, มเจดียก่อนไปถึงแล้วกล่าวว่า ขอกราบเท้าเรียนถวายพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่หนักมากเออเออถ้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วไปปลูกพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์เทศขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์พระอาจารย์ใหญ่หนักเต็มที่แล้วเออเราก็ไม่ค่อยหลับสนิท ด, ดอกแล้วก็ไปปลูกพระอาจารย์มหาบัวพอเดินไปที่ใกล้ใต้ลมไม้องค์ท่านถามก่อนแล้วว่าไครไครตอบว่า ล้วผมครับพระอาจารย์ใหญ่เป็นมากแล้วแล้วผ่านไปหาคูบาวันพระสีหาไปบอกก่อนท่านไปแล้วแล้วก็รีบขึ้นไปเก่งไม่ทําเห็นใจหลวงปู่แล้วท่านเจ้าุณทำมะเจดีปลาลกว่าพวกเราต้องอยู่ระเบียงนอกห้องปล่อยให้ลูกศิษย์องค์ท่านผู้โชคชนปฏิบัติมีสิทธิ์ธงทมสังเวชอาจารย์ใหญ่เพราะห้องก็แคบถ้าพวกเราชิงเข้าไปก็ไม่เป็นธรรมตกลงอยู่ในห้อง คอยจ้องดูลมออกเข้าขององค์หลวงปู่หกองเจ็องค์กับหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันนั่งห่างองค์หลวงปู่มั่นประมาณวาหนึ่งต่างหากหินหน้ามาทางองค์หลวงปู่ใหญ่อยู่ข้างหลังพระอาจารย์โกงมาหลวงปู่ฟั่นนั้นองค์ท่านนั่งขัดสมาธิภาวนาอยู่นิ่งๆพวกที่เข้าคิวนั่งรอบกายขององค์หลวงปู่มั่นห่างจากกายของหลวงปู่มั่นก็ประมาณฝ่ามือพระอาจารย์โกงมานั่งอยู่ทางขวาขององค์หลวงปู่ ที่นอนระแคงขวานิดหน่อยเพียงไหลขององค์หลวงปู่พระอาจารย์มหาบัวนั่งอยู่เพียงบ้านเดวขององค์หลวงปู่ข้าพเจ้านั่งอยู่ใต้ฝ่าเท้ากับท่านสีหาคูบาทองคานั่งอยู่เพียงหัวเขา่าด้านหลังขององค์หลวงปู่คูบาวันนั่งอยู่เพียงบ้านเดีวขึ้นไปหาอกขององค์หลวงปู่ต่างก็นิ่งจ้องดูลมขององค์ท่านอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีองค์ท่านก็สิ้นลมพลานไปแบบเงียบ ทีนี้ไา้ใจถีบ้านน้ำตากิเลสมันก็ไหลออกมาตามอำเภอใจมันอีกคงจะเป็นเวลาตีสองกว่าที่ทางในเมืองเขาได้รับเขา่าวเขาก็มาถึงประมาณตีสามกว่ากว่าท่านเจ้าคุณธรรมมะเจดีก็เลยบอกว่าพวกพระเราออกจากห้องปล่อยให้ญาติโยมเขาคงทาสังเวชดูศพพระอาจารย์บ้างข้าพระเจ้าก็ลงล่าหลังเห็นนาฬิกาอยู่ใกล้ศีรษะองคหลวงปู่เป็นนาฬิกาขององคหลวงปู่ คิดขึ้นได้รวดเร็วว่าถ้านาฬิกาอันนี้หายก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะเราลงหนีทีหลังนึกแล้วก็เอาใส่ไว้ในยา่านแต่ยกมือขึ้นใส่หัวเสียก่อนแล้วก็รีบเอาไปถวายพระอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์ก็เรียกว่าแล้วองค์ท่านก็เก็บไว้ปลาลบผ่านไปพอองค์ท่านสิ้นลมปรานก็ขอโอกาสพระอาจารย์มหาแล้วยกมือใส่หัวอีกเอามือสองมือ ชูคางขององค์หลวงปู่ไว้ให้สนิทชูวไวประมาณสองสามนาทีก็เลยจับ ก, กันสนิทเพราะเกรงว่าเมื่อเย็นแล้วตัวแข็งแล้วจะไม่สนิทเขา้ามีปัญหาว่าทนาหนจึงเขียนเรื่องกอกๆจัดๆจะเอาไปพระนิพพานด้วยดอกหรือหลับตาตอบว่าเรื่องของเจ้าตัวที่ได้ผ่านทุกข์มาในสงสารปัจจุบันนะจ๊พระบรมศ า, าสดาและพระอริยะสาวกที่ทรงปุกเคนิวาสยิ่งระลึกได้กว่าเรา หาประมาณนี้ได้เราเพียงแค่นี้จะภาษาอะไรกันเข้าน้ำลายขององค์ท่านบ้วนทิ้งก็ไม่ได้ข่าวบ้านเขียนก็ต้องยอมไปตามบ้านก่อนเมื่อเห็นโทษในบ้านก็จะหายจากบ้านดอกและก็ได้คำหนึงว่าเป็นยุคสำคัญของผู้เขียนในชาตินี้ด้วยคงจะดีกว่าเขียนกอนเพลงกอนลำทางโลกสงสารตรงๆถ้าไม่เป็นคติแก่ท่านผู้อ่านแก่ท่านผู้ฟังแล้วเป็นคติแก่ตนเองก็เอา เห็นว่าไม่ขาดทุนสูญกำไรไปไหนเพราะจิตใจยังหนักแน่นในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ไม่สงสัยลังเลเมื่อปลาลบน้อยก็รู้จักว่าปลาลบน้อยเมื่อปลาลบมากก็รู้จักว่าปลาลบมากแล้วหัดมิให้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองก็ต้องเป็นภาวนาวิปัสสนาอยู่ในตัวแล้วต้องขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นเพียนกันอยู่ดีดนี่เองรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลคันจะเอาเป็นประมาณไม่ได้ เพราก่อนพาไปพระองค์เจ้ารู้มากไม่ได้เห็นญาตินานพระอริยะสาวกพระอริยสาวิกาก็เหมือนกันเข้าสู่อนุปานธิเสสานิพานไปก่อนท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วแต่ฟังไหนไหนใจใดเห็นภัยในลดใจอันเดือดร้อนใจนั้นจักรู้จักการลดผ่อนในเรื่องร้อนของใจใจใดไม่รู้จักลดของใจใจนั้นก็ไม่รู้จักลดของธรรมใจใดไม่รู้จักทางใจ ใจนั้นก็ไม่รู้จักทางทำใจใดไม่รู้จักพึ่งใจใจนั้นก็ไม่รู้จักพึ่งธรรมใจใดไม่รู้จักเหียดแห่งใจใจนั้นก็ไม่รู้จักเหียดแห่งธรรมใจใดไม่รู้จักดับเหตดแห่งใจใจนั้นก็ไม่รู้จักดับเหียดแห่งธรรมใจใดไม่รู้จักหลุดพ้นใจนั้นก็ไม่รู้จักธรรมอันหลุดพ้นใจใดไม่เขารลบใจใจนั้นก็ไม่เขารลบธรรมใจใดไม่รู้จักใจที่ควรปฏิบัติเขารลบใจนั้น ก็ไม่รู้จักธรรมที่ควรปฏิบัติเคารพใจใดที่ไม่รู้จักสัพพใจใจนั้นก็ไม่รู้จักสัพพธรรมใจใดไม่รู้จักเอกใจในปัจจุบันใจนั้นก็ไม่รู้จักเอกธรรมในปัจจุบันอ น, นิจจาเอ๋ยกล่าวต่อไปในเรื่องศพขององค์หลวงปู่ขั้นถึงเวลาเย็นในวันนั้นก็กรากบศพแล้วเอาเข้าหีบไม้ที่เห็นว่าเป็นหีบชั้นที่หนึ่งในสมัยนั้นแล้วก็เอาไว้ที่ศาลาโรงฉัน แล้วสามทุ่มตอนกลางคืนมีการสวดมนต์ธรรมจักรบ้างอนัตตลัคนะสูตรบ้านอาทิตตะปริยายสูตรบ้างทำนิยามบ้างอาธิธรรมบ้างวนไปวนมาและมีการปั่นเทศทั้งโยมทั้งพรังรวมกันตอนกลางคืนด้วยทุกคืนท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานแห่งพระเถระทั้งหลายเปลี่ยนวาละกันเทศเข้าคิวสมัยนั้นพระอาจารย์มหายังมีได้เข้าคิวเทศดอก องค์ท่านกำลังเร่งความเพียรออกไปวิเวกองค์เดียวเจ็ดวันจึงเข้ามาเยือนหนนหนึ่งเป็นระยะระยะพระมาจากต่างอินบางวันถึงแ0ดอยก็มีบางวันสี่ลอยขึ้นไปห0ร้อยเจ็ดอยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสี่อยตลอดสามเดือนการขบฉันก็เหลือเผือไม่มีโจรผู้ไลยพอที่จะว่าเดือดร้อนเจ็ดวันที่เรียกว่าสัตตมกวาละในสมัยนั้นทาบุญครั้งหนึ่งแต่ก็เท่ากับว่าทาทุกวันอยู่ในตัว พระมากถ้าคิดเฉลี่ยแล้วเอาหกร้อยมาคูณเก้าิบแล้วจะเป็นพระกี่องค์เล่าก็เป็นพระห้าหมื่นสี่พันองทีเดียวละพระมหาเถระพระราชาคณนะทางกรุงเทพมหานครก็มาหลายองค์อยู่สมัยนั้นวัดป่าสุขาวาสเป็นวัดกว้างขวางวังเดงเพราะยังไม่มีสวนไม่มีบ้านท่านผู้ใดเป็นดงบ้างเป็นป่าบ้างกางกดกลางมุงอยู่ที่ไหนไหนก็ได้ไม่ขับแคบให้เข้าใจว่า องหลวงปู่มั่นซิ่มลมปราณล่วงไปสามสิบปีกว่าเท่านั้นบ้านเมืองงอกมหาวัดจนกลายเป็นวัดในเมืองไปแล้วครั้งพุทธกาลล่วงมาสองพันห้าอยิสี่ปีแล้ววัดเจตวันวัดบุปพารามวัดเบลุวันวัดนิโคละธารามกูดาคารป่ามหาวันเหล่านี้ครั้งพุทธกาลเป็นวัดป่าเป็นส่วนมากทั้งนั้นนิหนำซ้ำที่ประสูติตัดสลูที่ทรงสแสดงธรรมจัก ที่ปลินิพานเหล่านี้ย่อมเป็นป่าเต็มภูมิทั้งนั้นเมื่อทางพุทธกาลพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับป่าป่ า, ปาดงดงภูภูเขาเขาตลอดพระวิไนัยอนุสัตว์และพระสูตรต่างๆแทบทุกสูตรที่เกี่ยวกับป่าถ้าพวกเราจะลังเกียด ว, วัดป่าวัดภูในพระไตรปิฎกเรื่องพระเมชิยาเขาก็สร้างวัดบนหลังภูเขาถวายพระทางพุทธกาลก็หลายหลายแห่งถ้าหากว่าพวกเรา ตัดป่าตัดภูเขาออกแล้วพระไต่พิดกก็ไม่ครบเราวิ่งไปหน้าเดียวไม่มองคืนหลังเสียเลยก็จะเลยเกิดแผนที่ถ้าเขียนผิดก็ขออภัยเจ่ท่านผู้รู้ทุกทว่วหน้าและขอรับฟังพิจารณาคำตักเตือนโดยเคารพด้วยอยู่โดยทุกเมื่อเพราะหวังดีผูกขาดแล้วปรึกษากันถวายพระเพลิงกลับมาเล่าเรื่องปรึกษากันจะถวายพระเพลิงขั้นองหลวงปู่สิ้นลมปรานได้สองวันแล้ว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 ก็ให้พากันพักอยู่ระเบียงตามเคยเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจะพักห้องในที่หลวงปู่ใหญ่สิ้นลมปาณสามองนี้จงปฏิบัติท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจนกว่าจะสิ้นงานถวายพระเพลิงองค์หลวงปู่ฉะนั้นจึงได้นั่งฟังใกล้ที่พระเถระทั้งหลายประชุมปรึกษาในการจะถวายพระเพลิงท่านเจ้าคุณธรรมเจดีป่าลบขึ้นว่านับแต่วันสิ้นลมปาณไปสี่วันก็ถวายพระเพลิง พระ อ, องค์พระอาจารย์ใหญ่ได้สั่งลูกศิษย์ซ้ำซ้ำซักๆว่าเผาให้เร็วที่สุดแม้ข้าพระเจ้าก็ชอบใจถวายพระเพลิงโดยเร็วเพราะจะได้ต่างท่านต่างวิเวกตามอิสระของตนมิได้กังวลในอามิตรใดๆในการต้อนรับการเก็บศพไว้นานมีเสียมากกว่าได้ถึงแม้ว่าจะได้อามิตรเป็นล้านๆในงานศพก็ตามแต่ไม่เท่าอานิสงค์ของความสงบไม่คุกขี่ไม่เท่าอานิสงค์ของความสันโดษ ยิ่งเป็นพระฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ยิ่งประหยัดในการสัญโดดการมีเล่เหลี่ยมดักแล้วเอาปัจจัยกับท่านผู้อื่นย่ำไม่เป็นสมควรกับท่านผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันนาเจา้าถ้าหากว่าบวชมาพอเป็นนิสัยอย่างนี้ผู้ที่อยู่คาลาวะเขาก็พูดกันได้ใช้กันอยู่เขาให้ทานเป็นบางครั้งรักษาศีลเป็นบางครั้งภาวนาเป็นบางครั้งก็เป็นนิสัยไปทางดีของเขาอยู่นิสัยห่านว่านิสัย ประพฤติไปทางดีก็ว่านิสัยดีประพฤติไปทางชั่วก็ว่านิสัยชั่วแบ่งนิสัยออกเป็นสอง น, สนิสัยโลคีลนิสัยโลขุตตะระนิสัยโลขุตตะระนับแต่โสดาบันขึ้นไปต่ำกว่าน้ำลงมาเป็นนิสัยไม่มีขอบเขตข้าพระเจ้าเข้าใจว่าการประพฤติถูกในทางเด็ดเดี่ยวนี้ย่อมเป็นเครื่องเหนียวใจของท่านผู้ต้องการผลทุก์ในปัจจุบันนะชาติแต่กลับเป็นอากาศไม่ดี ของท่านผู้อยู่ผู้ไปพอแล้ววันแล้วคืนธรรมดาปุถุชนคนหนาอยู่ก็อยู่ในโลกไปก็ไปตามโลกไม่เหมือนพระโสดาบันผู้รู้จักหนทางทางกายทางวาจาทางใจจะอยู่จะไปก็รู้จักหนทางทางใจอยู่จึงไม่เรียกว่าอยู่ว่าไปในโลกตรงตงเพราะความไม่ลืมตัวไม่ลืมตนไม่ลืมใจไม่ลืมธรรมเป็นนายหน้าหัวใจอยู่มนุษย์เราในไตรโลกธา จะมีลาบยศสัลลเสริญเยือนยอและมีปฏิพานโวหารพูดจนน้ำไหลไฟดับสักเพียงใดก็าตามแต่ด้านกิเลสไม่เบาบางลดละจากขันธกสันดานเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เป็นภาชนะน้ำเปล่าความสำคัญตัวว่ามีที่พึ่งสำคัญตัวว่าฉลาดความสำคัญตัวนั้นก็เป็นการโกหกพกลมตนอยู่ในตัวมิหนำทำทำตัวให้เป็นหมันอยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยแต่พอรู้ตัวก็คำไปเสียแล้ว ท่านคือตายไปแจกบริขารหลวงปู่มั่นย้อนคืนมาปลาลบเรื่องการแจกบริขารขององค์หลวงปู่นับแต่องค์หลวงปู่สิ้นลมปราณมาได้เจ็วันท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็ประชุมสงฆ์ทางพระเถระ ท, ทุกทุกองค์ัดเยียบเป็นประธานท่านเจ้าคุณธรรมเจดีได้ปลารบขึ้นว่าท่านมหาบัวเอย๋ยบรรดาที่ขอนิสัยอยู่กับองค์พระอาจารย์ที่สิ้นลมปราณไปนี้ อง์ใดบ้านปฏิบัติใกล้ชิตพระอาจารย์บ้างพระอาจารย์มหาบัวเรียนว่าท่านวันท่านทองคําท่านลาท่านสีหาบอกชื่อตามอายุแห่งพรรษาแท้จริงพระอาจารย์มหาบัวนั่นแหละองคหนึ่งที่เป็นหัวหน้าแต่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็รู้อยู่แล้วท่านเจ้าคุณธรรมเจดีกล่าวว่าลาเธอจะเอาอันไหนบริขารขององค์พระอาจารย์ที่นี่ทาสังเวชไม่รู้ว่ามาแต่ไหน เตมตื้นพูดไม่ออกน้ำตาไหลอีกแล้วขายหน้าอีกละได้เอาผ้าอาบปิดหน้าแล้วพิจิตอยู่สักคู่แล้วเรียนว่าเก่ามิได้เอาอันใดดอกทำและอามิตรอันใดองค์ท่านให้มากแล้วบริบูรณ์ในฝ่ายอามิตรก็ดีในยามองค์ท่านมีชีวิตบริขารจํานวนนี้เป็นบริขารที่องค์หลวงปู่ใช่ประจําเ ก, งก่งจะเป็นบาปฐานะของเก่าไม่สมควรและเมื่อเก่าเห็นยามใด จะเป็นเหตุให้เกาวน้ําตาไหลอยู่ไม่ขาดองค์ท่านกล่าวต่อไปว่าเธอจงรับเอาเป็นที่ตีกับข้าให้เป็นสามีจิกรรมก่อนแล้วถวายองค์ใดต่อจึงถวายต่อไปแล้วก็ยกมือใส่หัวแล้วน้อมรับสองมือใต้มือองค์ท่านสามครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นกติกน้ําร้อนครั้งที่สองเป็นยม่มครั้งที่สามเป็นแก้วน้ำกติกน้ําร้อนนั้นพอรับแล้วก็ถวายหลวงปู่เทศ ต่อหน้าสงศ์โดยเขาล้มย่ามนั้นนึกว่าจะถวายหลวงปู่ฟันจึงจะสมฐานะแต่กำลังถวายกระติกหลวงปู่เทศอยู่นั้นมีพระองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังทั้งพูดทั้งดึงเอาย่ามว่าย่ามมีให้ผมจ้ะแก้วน้ําก็เอาไปด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นองค์ใดไม่ได้เอี่ยวคอดูเพราะพระขึ้นไปจนยัดเยียดแต่คงเป็นพระต่างอาว่าไม่ใช่พระอาว่าเดียวกันและก็พอใจอยู่ไม่อะไร เพราะเข่าลบมากกว่าอะไรการว้าเวการเข้าลบการสังเวชการรักนับถือทำให้น้ำตาไหลนี้คงเป็นรสชาติอันเดียวกันคาว่าไม่อาไลไม่อาไลในสิ่งของขององค์ท่านแต่อาไลยอาวรนในธรรมอันหื่งลึกไปกว่าิ่งที่ของภายนอกนั้น